บทที่สิบในภาคนั้นคำว่าพบคือสภาวะที่เกิดขึ้นพบนั้นมีสองประเภทคือกรรมภพและอุปัตติภพดังพระบาลีว่าพระโววิเทนะอัติกรรมพระโวอัติอุปัตติพระโวพบมีส่วนโดยสองคือกรรมภพ และอุปติภพในภพทั้งสองนั้นกรรมภพเป็นฉนคือปุญญาพิสังขารอปุญญาภิสังขารและอเนญชาพิสังขารอันให้ไปเกิดในภูมิชั้นต่ำกรรมวจรภูมิก็ดีอันให้ไปเกิดในภูมิชั้นสูงรูปภูมิและอรูปภูมิก็ดี นี้เรียกว่ากรรมภพกรรมที่ให้ไปสู่ภพทั้งหมดได้ชื่อว่ากรรมภพในภพทั้งสองนั้นอุปติภพเป็นฉไนคือกรรมภพรูปภพอรูปภพสัญญาภพอสัญญาภพเนวสัญญานาสัญญาภพเอกโวการภพจตุโวการภพและปัญจโวการภพ นี้เรียกว่าอุปติภพการที่กาจิกข้าพเจ้านี้ไม่เป็นทุกข์แก่ข้าพเจ้าแต่การที่นางเนื้อทองจกไม่ได้นุ่งห่มผ้าที่ย้อมด้วยดอกคำเที่ยวงานเดือ น, น, อนสิบสองโน้นสิเป็นทุกข์ของข้าพเจ้าบุคคลบางคนในโลกนี้คิดไปโดยเนื่องด้วยการได้ยินสืบกันมาบ้างตามแบบอย่างที่ได้เห็นมาบ้างว่า อันกามทั้งหลายนั้นย่อมบริบูรณ์ในตระกูลมหาศาลมีตระกูลขัติยะมหาศาลเป็นต้นในมนุษยโลกและในกามาวจรเทวโลกหกชั้นเท่านั้นถูกกล่อมใจด้วยการฟังธรรมผิดเป็นต้นสำคัญว่ากามทั้งหลายจะสําเร็จได้ด้วยการกระทํามีการฆ่าสัตว์เป็นต้น อย่างนี้จึงได้ทำกรรมชั่วทางกายเป็นต้นเพื่อให้ได้รับกรรมคุณเหล่านั้นตามอำนาจกา ร, รมุปทานเขาย่อมไปบังเกิดในอบายเพราะทุจริตเต็มบริบูรณ์ฝ่ายบุคคลอีกคนหนึ่งเป็นผู้มีความรู้เพิ่มพูนขึ้นด้วยสรปุริษธรรมมีการได้ฟังสัตรรมเป็นต้นแล้ว สำคัญว่าการทั้งหลายจะสำเร็จได้ด้วยการกระทํามีการให้ทานเป็นต้นอย่างนี้จึงกระทํากายสุจริตเป็นต้นด้วยอำนาจกามุปาทานเขาย่อมไปบังเกิดในหมู่เทพหรือมนุษย์เพราะสุจริตเต็มบริบูรณ์